มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาสัตตมวคกายกะเจตสิกะเวทนายะนานากรณปัญหาที่สองถามถึงเวทนาที่เกิดในกายและจิตของพระอระหันต์ราชาอาหะ สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าอันประกอบไปด้วยบวรปรีายาญโยมนี้รำพึงการไปก็ให้บังเกิดสงสัยด้วยจิตของพระอรหันตเจ้านี้เมื่อกายไหวเหตุไรจิงมิได้ไหวไปด้วยน่าอัศจรรย์ใจนักหนา นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาคเษนถวายพระพรวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบปาลดุดดังต้นไม้อันใหญ่ประกอบไปด้วยใบกิ่งก้านร่มเงาสาขาจารติเมื่อกิ่งก้านนั้นเล่าเจ้าวันไหวเจ้าไว้สะเทือนถึงลําต้นหรือไม่เมื่อกิ่งไหวแล้ว ต้นไม้นั้นจะไหวดื้หรือหรือว่าหาไม่ได้นะบ่อพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินปูมินทราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสว่าณหิพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าใชยว่ากิ่งไหวแล้วจะไหวถึงลําต้นหาไม่ได้เพราะต้นไม้นั้นใหญ่จึงไหวแต่กิ่งพระนากเกษรเถระจึงเปรียบว่ามหาราชา ขอถวายพระพรบพิธพระราชสมภารข้อความประการนี้มีอุปมาชั้นใดทุกขาวเวทนายผุดโธเมื่อพระอรหันเจ้าเสวยเวทนาเจ็บปวดลำบากนั้นจิตพระอรหันต์มิได้รู้วันไหวเหตุว่าเห็นพระไตรลักษณ์ญาณคือพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาผูกจิตอตมาไว้กับเสาประโคนใหญ่คือพระสมาธิ เปรียบดูดต้นไม้ใหญ่อันไหวแต่กิ่งขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาสาคละราชธานีได้ทรงฟังดังนี้ก็ชื่นชมยินดีสองสาทุการต่างๆเหมือนนายะหนหลังกายกะเจตสิกะเวทนายะนานากรณะปัญหาเป็นคำรบสองจบเพียงนี้